ร al um i ah uh. s m i l l a h i rohman r o h i m a l h a m d u l i l l a h i r o b b i l a a m i n allahu ma salli ala muhammad assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ขอความสันติสุขความเมตตาจากอัลลอฮฺสลตาาได้ประสบกับพี่น้องผู้ศรัทธาต่อพระองค์ทุกท่านครับพี่น้องครับเราเป็นมุสมินผู้ศรัทธาต่ออัลลอ สิ่งที่เราต้องยืนหยัดก็คืออิดินอฟซิรอตอนมุสตาคีมเหมือนกับเราได้ดูอาตอัลลอฮ์ว่าอิดินาโปดนาเราดนใจเราอัซซิรอตต้อนมุสตาคีมให้อยู่ในวนทางที่เที่ยงตรงคือทางขอ ง, Allah, งของัลลอฮ์ทางของเราซูลทางของบรรดาลบีต่างๆกอดหน้าเรา ที่จริงแล้วเนี่ยเราอยู่ในโลกดุนยาเนี่ยอัลลอฮ์บอกว่าอ ด, ดุนยาดารุลอามันม่ช่อัลลอฮ์แบีก็บอกว่าอ ด, ดุนยาดารุนอามันดุนยาเป็นโลกแห่งการปฏิบัติวันอาคิระตุดารุนกะจ า, าอาคิร์เป็นโลกแห่งการตอบแทนที่สมบูรณ์แต่ดุนยาอัลลอฮ์ก็ให้เราพอประมาณนะ ถ้าเราไม่มีอีหมาตอัลลอฮ์อย่างแนบแน่นแล้วเนี่ยบางทีเราเราหลงหลงอำนาจหลงความมั่งคั่งหลงความหล่อหลงความอะไรต่อเมียอะไรนะแต่อัลลอฮ์บอกว่าเราต้องรู้เป้าหมายที่อัลลอฮ์สร้างเรามาเราจะได้ครองตนถูกเป้าหมายคือยังไงว่ามาขอละกุนยินนวันอินไซอิลลัิยะบุดูน เราบอกว่าเราไม่ได้สร้างยินและมนุษย์มาเพื่ออื่นใดเว้นแต่ให้เราต่อยอดแก่ตัวเราเองด้วยการอิบาร์ดาต่ออัลลอฮ์นี่คือเป้าหมายหลักที่อัลลอฮ์สร้างเรามาอัลลอฮ์ไม่ต้องการความยิ่งใหญ่ที่เราว่าเวลาเราอิบาร์ดาเราไปเสริมอํานาจของอัลลอฮ์เสริมบารมีไม่ใช่แต่เวลาอิบาด์ดาต่ออัลลอฮ์เราก็จะได้รับผลและบุญจากอัลลอฮ์เป็นการต่อแทน ที่วันนู้นจะได้อยู่สวรรค์ชั้นไหนมันอยู่ที่วันนี้แหละเราเราปฏิบัติตามอัลลอฮ์แค่ไหนเพียงใดวันนี้เป็นซูร้อยบรหีมอยายะที่ยี่สิบหกถึงสามสิบเอ็ดในหัวข้อเรื่องตามกันตามกันหลงทางนะคือถ้า ถ้าเราตามกันหลงทางเนี่ยเราจะตามไม่ได้เราจะต้องอยู่ในทางของอัลลอฮ์สุลตลาและตามกันในทางที่ถูกต้องเนี่ยเราตามได้ถ้าในทางที่ไม่ถูกต้องอย่าไปตามในสังคมทุกสังคมมันเป็นสังคมผสมระหว่างความเชื่อแบบอิสลามกับไม่ใช่อิสลามในประเทศไทยก็ความเชื่อของครามฮินดู เชื่อตามประเพณีนิยมเชื่อตามความคิดเองรู้สึกเองอ่ะเยอะแยะแต่เราจะไปตามความเชื่อต่างๆเหล่านั้นไม่ได้เราต้องตามมาได้ตามแเราเราบอกสัมมนะว่าอัตอนาได้ยินแล้วแล้วก็ตออาจตามที่อลัลลอฮฺและเราซูลบอกเท่านั้นเองอย่าเยอะถ้าเยอะเกินศาสนาเสีย เสียตังค์เสียคนเสียเวลาถูกหลอกเอาตามสานาง่ายๆง่ายๆสะดวกสะดวกก็เป็นอะไรนะเป็นสุรอิบรอฮีมอยายะที่ยี่สิบหกถึงสามสิบเอ็ดอาดูอันนี้จนะเอาบุญหนึ่งอาสอนสิบความดีอูบินเลยฮิเมนัสชัยตานิราชี ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة تندت سات من فوق الأرض وما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ويُدِلُّ َ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ أَلَمْ تَرَ إلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارًا بَوَارٍ ج َ ن ج َ ه َ ن َّ م َ يَصْلَوْنَهَا وَبِئْسَ الْقَرَارُ وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلُّوا عَن سَبِيلِهِ كُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ كُلْ يَأْكُلْ لِإِبَانِيَا ل َّ ذ ِ ي ن َ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ و َ ي ُ ن ْ ف ِ ق ُ و َ مِمَّا رَضَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً มิมมารดักนัุมศิรห์วะนเนยะมะน์ินกับลัยยะวะมุลลาบัยอุฟิห์วะลาขิลลเรื่องตามกันหลงทางบางทีตามกั น, ตกนแต่อยู่ในทางบางทีก็ตามกันแล้วก็มันหลงทางมี งั้นเราจะมีมาตรฐานไหนที่จะเป็นตัววัดและเราก็ยึดมาตรฐานนั้นเพื่อไม่ให้เราหลงทางนะเพื่อให้ให้เราไม่หลงทางวันนี้เราละหมาดห้าเวลาเราขอดุอานต่อลรอไม่ให้หลงทางอิฮิเนอฟเซรอต้อมุสตังกีโปรดนำเราสู่บนทางที่เที่ยงตรงเซรอตัลละดีนะอันอัมตะไลฮิม คนทางที่พระคงพระองค์ได้เคยโปรดปานมาก่อนหน้านี้แล้วคนดีน่อัลลอฮ์โปรดปานมาก่อนหน้านี้แล้วก็อเอาแบบนั้นไงลินมะฮุบบิอัลเลห์มวะละดอลินไม่ใช่ทางของผู้ที่ถูกกลิ้วคือ jahud วะละดอลินและไม่ใช่ทางของคนที่หลงผิดคือพวกนัสซอลอเนี่ยมันมีสองทาง ที่ไรที่มาเบียดทางของอัลลอฮ์ถามว่ามันเบียดเราได้ไหมมันมีโอกาสเบียดได้ถ้าเราไม่อีหมานต่ออัลลอฮ์จริงๆคําว่าอีหมานแปลว่าได้แปลว่าปลอดภัยถ้าไม่อีหมานไม่ปลอดภัยอยู่เป็นคนได้ไหมได้ได้กินได้อยู่ได้แพะมันก็อยู่แบบนี้แหละไม่มีศาสนาหรอกไม่เคยละหมาดอยู่ได้จะว่าควายเดี๋ยวหาว่าแรง แต่จริงแพทย์ก็ควายกเหมือนกันแหละรูปไม่เหมือนนั้นเองพวนี้ไม่ต้องละหมาดเวลาเราไม่ละหมาดเขาบอกไอ้ควายอย่าไปโอโหเราบอกอุ้ใช่นะอุุ้บินละของความคุ้คมครองจะอล่อยพวนจากความเป็นควายด้เถิดก็ดว่าควายในรูปมนุษย์ควายในรูปมนุษย์ยษยเอาดู <c oughs> มาซาลูกาเลียมาตินคาบีซาตินกันชาโยาตินคาบีซะและอุปมาคำพูดที่เลวเป็นการอุปมาอุปไมยนะเพื่อให้เกิดความคิด เ, เราจะอุปมาอุปไมยนะอันอุรกานเพื่อให้เราเกิดความคิดและจะได้มีข้อเปรียบเทียบอุปมาคำพูดที่เลวดังต้นไม้ที่อับเฉา ถูกถอนรากออกจากพื้นดินมันไม่มีความมั่นคงเลยเราอย่าเป็นต้นไม้ที่อับเฉาแล้วก็ถูกถอนรากออกจากพื้นดินเพราะอะไรเราขาดหลักยึดมั่นที่เที่ยงตรงอย่าเป็นอย่างนั้นงั้นกาลิมาคอบีซ่าคืออะไรคำพูดที่เลวคืออะไรคือกาลิมาตุลกุฟรี่ถ้อยคำที่จะทำให้เรานั้นกูฟอรตคือทรยศ ต, ต่อเรา ดือดึงต่อคำสั่งของอัลลอฮเราอย่ามีถ้อยคำเหล่านี้ในตัวเราและอย่าใช้ถ้อยคำที่จะทรยศต่อลลกไปบอกสั่งแนะนำคนอื่นไม่สบายใจใช่ไหมไปหาหม อ, อดูไม่ใช่ไม่สบายใจทำไงทางเดียวของเราคือละหมาด ละมาตหัดยุดละหมาตอิสติคอร์ดูอาต่ออัลลอฮ์นี่พอพอจะไปขอลูกสาวสักคนมาเป็นลูกสะใภ้เอาแล้วหลักอิสลามที่นบีสอนไม่เอาแล้วต้องไปหาหมอดูก่อนว่าดวงมันจะเข้ากันได้ไหมแต่งแล้วเข้ากันได้หมดแล้วต้องดูดวงหรอกเนี่ยต้องไปดูดวง แต่นบีสอนเราทำไงเลือกคนที่มีอิสลามด้วยการทั้งคู่จะได้อยู่ในวิถีทางเดียวกันพูดกันง่ายสอนกันง่ายปฏิบัติอิสลามด้วยกันสามีเป็นอิหม่ามพระยาตามต้องไปดูดวงไหมแต่นี้ไปดูบังเอิญมันตรงพอดีใช่แล้วหมอคนนี้ใช่หมอมกระโล ก, กินไปคนมันก็หกทุกวันทุกวันมันก็ตรงมั่งแหละ หมอไม่หลอกกินถ้าจะให้แสบไส้หน่อยอย่าบอกว่าหลอกกินหมอมันหลอกแดกมันหลอกแดกก่อนจะไปดูหมอต้องมีเบอร์ต้องจองเบอร์เสียตังค่าเบอร์เข้าคิวแรกเข้าคิวหลังมีด้วยนะเพรารับชั้นพอเสร็จแรกก็ขายน้ำมนุนน้ำเป็นโก ด, ดังขายน้ำ แล้วก็มากินกันจะเป็นอย่างงู้นเป็นอย่างนี้เชื่อในน้ําอากีด้าเป็นยังไงเชื่อว่าน้ํานี้จะกินแล้วเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เสียนะงั้นเราไม่ต้องเอาอิสลามอย่างเดียวเรื่องนี้เราอสอนอยังไงงั้นเราจะต้องมีถ้อยคําอะไรกาลิมาตอ ย, ยีบาคือกาลิมาที่ถ้อยคําที่เชิญชวนบอกกล่าวแนะนํา สู่การศรัทธาต่ออัลลอะ์มันมีกาลิมาถ้อยคำสองอย่างเน้งกรลิมะต่อยิบะถอยคำที่ดีคือได้เรียกร้องบอกกล่าวผู้คนสู่อะไรประเด็นที่บอกว่าเลออิลลาอิลลอห์มุฮัมมัดุลสุลลล็อนี่กาลิมาต่อยีบะพูดตามนี้เดินตามนี้อย่าดีแต่พูด เราบอกกาบูรมัตันอินอัลลอฮฺอัลลอฮ์โกรธอัลลอฮ์โกรธไม่ได้โกรธแบบเราคืออัลลอฮ์จะตัดรองหมัตจะตัดความไม่ตาอันตะกูลูมาลาตาฟาลุนพูดแล้วไม่ปฏิบัติเรื่องละหมาดคุยเปะเลยแต่ท้เปล่าๆอ่านกูอ่านคุยเปะเลยทำเปล่าๆเนี่ยเราบอกกาบูรอมัตันอินอัลลอฮฺอัลลอฮ์โกรธโกรธไม่ได้โกรธแบบเรา เ ล, ลาจะตัดร่องหมัดออกจากตัวเราไปเพราะเราทำกับตัวเราเองเราทำกับตัวเราเองผมเคยบอกกับพี่น้องว่าเราอย่าเป็นแบบนี้ที่นบีบอกยีฟตุนฟินไลหรยีฟตุนฟินไลวะไขมารุนฟินนะฮัทเป็นซากศพในตอนกลางคืนและเหมือนลาในตอนกลางวันเป็นยังไงลามันไม่รู้ว่าเจ้านายใช้มันทำอะไรทำทำไม มันก็ทำตามที่นายมันสั่งไม่มีสมองเป็นซากศพในตอนกลางคืนเพื่อนนอนอย่างเดียว <c oughs> ไม่เคยถือโอกาสพิเศษในยามค่าคืนเพื่ออิบาดาต่ออัลลอฮ์นี่เขาเหมือนนอนเหมือนศพในตอนกลางคื น, นอันนี้ระวังนะอ ด, ดุลยาดารุนอามันดุญยาเป็นโลกแห่งการปฏิบัติ วันอาคิรัตุดารุนยาซอาคิร์เป็นโลกแห่งการตอบแทนปฏิบัติแล้วอัลลอฮ์ให้แค่นี้เต็มที่แล้วอัลฮัมดุลิลละอาคิเรา์อัลลอฮ์จัดไว้ถ้าถ้าอิมานถูกต้องคาชีนิไม่ได้อนุกรรมีอํานาจอันนี้ก็มีอํานาจอนุกนนก็บรรดานได้อันนี้ก็บรรดานได้ไม่เอาแบบนี้ก็ได้แบบนี้ก็ได้แบบ ไ, ดไม่เอานะ แทบแบบที่ได้คือแบบที่อัลลอฮฺและเราสูญสั่งทําได้เช่นละหมาดยืนไม่ได้ให้นั่งนั่งไม่ได้ให้นอนนี่แบบอย่างนี้เปลี่ยนได้วันที่เรานั่งละหมาดผลบุญได้ถ้าเรายืนละหมาดเมื่อเรามีความสามารถวันนั้นเรายืนละหมาดนั่งก็ได้บุญเท่ากับยืนนอนก็นได้บุญเท่ากับยืนขอให้วันที่เข้มแข็งเป็นวันที่เราอิบาร์ดาต่ออัลลอฮฺแล้ววันที่อ่อนแอก็จะได้รับการตอบแทนเหมือนกับวันที่เราเข้มแข็ง นั้นกาลิมามีกี่ผู้มีกี่อย่างคำพูดมีกี่อย่างหนึ่งขบีซ่าขบีซ่คืออะไรคำพูดที่เลวคือคำพูดที่บอกผู้คนให้ทรยศต่อเรากาลิมาตุลกุฟมันมีกาลิมาคำพูดที่ดีคืออะไรกาลิมาตอยีบ้างคื อ, คอที่บอกเมื่อกี้เรียกร้องผู้คนให้รู้ว่าอัลลอฮฺเป็นเจ้าอง์เดียวยึดถือปฏิบัติและมุฮัมมัดเป็นรอซูลคือปฏิบัติชีวิต ตามอัลลอฮ์สั่งแล้วเป็นต้นแบบของการใช้ชีวิตของเราทุกอย่างวันนี้ถ้าอัลลอฮ์ไม่ส่งวันนูน้นก่อนหน้านี้ถา ma, า sang, า ala, ้าอัลลอฮ์ไม่ส่งนบีมุฮัมมัดมาแล้วอัลลอฮ์ก็สั่งว่าอกีมุสล่าว่าอะตุลตะการท่านจะละมาแล้วอัตการเราละมาไม่เป็นหรอกรูปล่างรูปลักษของการละมาทํำยังไงเราก็ทําไม่เป็นแต่ส่งนบีมาอธิบายเป็นรูปประทามของการละมาแบบยืนต้องอย่างนี้ตักเบ็ดต้องอย่างนี้ นะตั้งใจต้องอย่างนี้ไม่ต้องนวัยตูนาวัยตันอานไม่ทันตักบิดแย่เลยสงสารคนอ่านนาวัยตัวะไ่ยืนละมากรู้แล้วว่าเราตั้งใจมาละหมากรู้แ้จะมายืนทไมที่ชบละมาดความตั้งใจมีอยู่แล้วก็ตักบิดอัลลอฮฺอักบัรได้แล้วไอ้ น, นี้ไปตักไปเนียไปตั้งใจตามคำสอนมันก็ยาวสิ อัลลอฮ์เขาพรเจ้าตั้งใจละหมาดฟรดูกมาดีสามว่าอาจเป็นมามูลนีล่อะไตา阿อากูอะไน้าไวาตัาวหน้าตันนึกไม่ทันเหนื่อยเลยอัลลอฮ์ Allah! บักบัตเพราะเราเข้าใจผิดความตั้งใจมีเสียงเมียงสอนไหมไม่มีเรามาเรียนที่นี่ตอนเช้าบอกเปล่าข้าพเจ้าตั้งใจไปเรียนที่สันติชนเพื่อลองโชติลามันอยู่ในใจไปกรมที่ดินข้าพเจ้าตั้งใจไปกรมที่ดินเพื่อจะไปทําเรื่องโฉนด ต้องพูดงั้นเลยนะคนได้ยินมาบ่อยโต้ในบาร์ไม่รู้ไงมันอยู่ในใจตอนนี้เราไปทำำําลําบากเพราะอะไรเราไปตั้งใจบางคนนึกมาลายูไม่เป็นบางคนนึกอรับไม่ตายเลยผมไปละหมากับคนที่ไม่เข้าใจตรงนี้มันตกใจโอ้โหโอ้โหอ๋อโล้หูยตกใจเลยเข้าเพิ่งเข้านี่ที่เรา ล, ลําบากกันมาเยอะครูแอเนยจะเลิกละหมาด ไม่ไหวแล้วไอ้อไม่ใช่ครูแอร์ยากกันแบบเป็นดองกันอยู่อยู่นนอยู่ปทุมจะเลิกละมาดอยู่แล้วเนียดไม่ไหวครูเอรมันยาวแล้วก็มดลมแล้วก็ยังเนียดไม่ไหวมันเหนื่อยเหลือเกินละมาทําไมมันยากเหลือเกินเจอครูแอรครูแออธิบายว่าตั้งใจไม่เป็นแบบนี้มาชาอ์ลอฉันขอละมาต่อจะเลิอกอยู่แล้วเพราะเราไม่รู้งั้นอิสรามง่ายไหมง่าย แต่เราไม่รู้แต่ผลเสียของสังคมไมใชาของสังคมของตัวเราเพราะอะไรเราเก็บความคิดของคนสังคมอื่นมาไว้ที่เราเกิดวันอะไรต้องดูวันอะไรก็ตั้งชื่อดีๆน บ, บีบอกชื่อดีดก็อาหมัดมูฮัมหมัดละชื่ออื่นก็ว่าไปแต่เรียกให้ครบเนี่ยเราจะต้องไปดูหมอหรือไ นี่เราอย่าไปเชื่ออ่างั้นคำพูดที่เรียกร้องสู่การกูโฟตต่อเราอย่กเก็บความคิดของาศาสนิกอื่นเอามาปฏิบัติแต่เราเห็นความคิดของคนกาเฟ่น่ะทุกวันทุกวันทุกวั น, วนมันจะถูกซึมซับเข้ามาเราต้องรู้จักอิสลามไม่งั้นถูกซึมซับถูกดูด เขาบอกการิมากูฟต์เนี่ยมันเหมือนอะไรกณอ่านยกตัวอย่างกระชายด้ดยินคอบีซะเหมือนกับต้นไม้ที่มันได้อับเฉาเขายกตัวอย่างคือต้นไม้ที่ชื่อต้นฮันซอละมันเป็นต้นไม้ชนิดหนึ่งกินก็ไม่ดีแล้วก็รากมันก็ไม่ได้เกาะเข้าไปในใต้ดินที่จะมีความแน่นเกาะอยู่ใต้ดินอย่างแน่นมั่นคงไม่มีดึงออกมาก็ออกแล้ว ต้นไม้แบบนั้นเราอย่าเป็นแบบต้นไม้แบบนั้นเพราะอะไรดึงนิดหลุดแล้วเราต้องเป็นต้นไม้ที่เรามีรากแข็งแกร่งที่ยึดอยู่ในดินดึงก็ไม่ออกคืออะไรกาลิมาตอยิบาคือเลยเลยห ล, ะละ่อนั่นเท่ากับรากแก้วของชีวิตจะระบากไงก็ดึงไม่ออกจะเจ็บป่วยยังไงก็ดึงไม่ออกแ น, น่นนะ จนอย่างไรก็ไม่ดึงดึงก็ไม่ออกเพราะนั่นก็ศาสนาของ อ, อัลลอฮ์เอาทําไมจนละ่ะทําไมถึงเสือเกิดมาจนเขาบอกนี้กูเสือเกิดมาจนทําไมละ่ะพูดให้เจ็บใจเ น, น้นสาบคนจนพอมีคนจนปุ๊บใครต้องรับผิดชอบระบบมาแล้วระบบ伊斯兰มาแล้วสากล ร, รับผิดชอบและกามี้อีกว่าใครคนที่มีฐานะความเป็นอยู่ที่ดี เขาก็ต้องเอื้อเฟื้อคนที่มีความยากจนนี่คือระบบมันออกมาแล้วไงวันนี้ที่คนจนต้องลำบากเพราะอะไรเพราะระบบประกาศไม่ไหลสู่คนจนคนรวยเก็บไว้วันกิ亚马เราประอออากาศเพื่อเป็นคำสอนว่อออาเลาประกาศวันกิย马วะ่าวันที่ฉันหิวไม่มีใครมาให้อาหารฉันกินวันที่ฉันป่วยไม่มีใครมาเยี่ยม มีคําถามว่าอลัลลอฮฺหิวได้หรือ อ, รอัอลอบบลอฮฺป่วยได้หรืออัลลอฮฺเป็นรอบุญอารามีนป่วยได้หรือหิวได้หรือเป็นนัยะบอกว่าวันที่อลัลลอฮฺหิวหมายพวเป็นข้อพูดที่เปรียบเทียบให้คิดว่าคือวันที่เขาหิวทําไมคนจนรอบคนรวยรอบด้านทําไมไม่ช่วยเหลือเขาวันที่เขาป่วยกําลังบอกว่าคนหนึ่งคนใดป่วยคนรอบข้างทําไมไม่ไปเยี่ยมเยียนเา้านี่อเลาบอก เป็นในยักษให้เราต้องคิดไม่ใช่ว่าเราหิวจริงๆไม่ใช่ว่าเราป่วยเราไม่หิวเราไม่ป่วยเราอกานี่ยุนอนันนี้อาลามินแต่เป็นข้อเปรียบเทียบให้เราคิดงั้นครับป่วยเราไปเยี่ยมอย่าไปนานไปเยี่ยมแเราขอโดยอายเขาอย่าไปถามมาเป็นไงบางคนหน้าลำค้านไปอย่างปเป็นพยาบาลถ่ายขี่หุนแล้วเหนื่อยไหมหมอวัดความดันกี่หนแล้วเบาหวานมีเยอะไหม อย่าไปเยี่ยมย่งกับหมอไปเยี่ยมเห็นเขาขอรัวเขานี่ไม่ถามฉีกเคนแล้วเป็นก้อนเรื่มเรื่มเลวอะไรไม่จะไปยุ่งแล้ะอย่าเยี่ยมนานเยี่ยมนานเราคุยอะไรอย่างอื่นน่าราคาญไปเยี่ยมเขาขอรัวตอนเร่เรากลั บ, บนี่คือนับีสอนอาจารย์นะเราต้องเป็นคนที่ราดลึกลงไปในพื้นดินแน่นมั่นคง ในความเป็นต้นไม้แล้วก็มั่นคงที่รากนั้นลึกลงไปในแผ่นดินดึงยังไงก็ไม่ออกง้นกะริมาเป็นรากแก้วของชีวิตที่เราต้องมีเราถึงจะไปได้ใครให้เราเป็นอลัลลอฮ์ให้เราเป็นใครให้เราตายอลัลลอฮ์ให้เราตายไม่เห็นจะไปหวั่นไหวอะไรทําความดีไปถึงเวลาตายตายถึงเวลาเป็นเป็นถึงเวลาอยู่อยู่อลัลลอฮ์ให้อยู่ถึงเวลาจะตายจริงนะอลัลลอฮ์เมยตายอย่างสว ร, รแดงบัวจะไปจับ จะไปทำอะไรเรื่องหัวใจเอาไปเออหัวใจทําไม่ได้เอาต้องไปพ่าตัดจะทำไม่ได้ตายไปเรื่องหนึง่งไปเจอโรคอีกเรื่องห น, นึ่งนีอ่อัลลอฮ์กำหนดเสียใจไหมยอย่าไปเสียใจที่ตายแต่ต้องเสียใจที่ก่อนตายเราทําอิบาร์ด้าต่อรอดหรือเปล่าทําอิบาร์ด้าต่อรอดหรือเปล่าเนี่ยเพราะอิบิบาร์ดมันเป็นต้นทุนที่เราจะได้รับการตอบแทนจากอัลลอฮ์ในวันนู้น มีกะลิมาถูกต้องไหมมันเป็นต้นทุนที่อัลล์ะจะตอบแทนเราด้วยการให้สวรรค์กับเราถ้าตายแล้วเป็นกูโฟอตอัลลอ์ไม่ได้เดี๋ยวนี้ภาพทางสังคมที่ยิ่งใหญ่ที่มัใจะแบบอิสลามวิธีกรรมทางเรื่องศพเลยเขาทำของเขาให้เรารู้นั่นคือแบบของเขาอย่ากเก็บมาเป็นแบบของเราต้องยังไงยังไงยังไงแบบของเขามีไว้ให้ดูแล้วบอกว่านี่คือแบบที่ไม่ใช่อิสลาม ไม่จะให้ดูให้เห็นแล้วเก็บแบบนั้นมาไว้กับเราตายมีชื่อเสียงต้งเป็นแบบนี้ไม่ใช่ตายแบบมีเกียรติต้องเป็นแบบเราตายแล้วก็รีบจัด ก, การศกฝังไปซะถ้าเขาดีจะได้รับความดีจากอันและกันถ้าเขาไม่ดีเก็บไวทไ้ทําไมก็ให้เจอสิ่งที่ไม่ดีฝังกันไปตามหน้าที่ต้องเฝ้าไหมไมันต้องเฝ้าเดี๋ยวนี้เอาเอาความห่วงใ ย, ยที่มีต่อพี่น้องเอามาเกี่ยวข้องก็ต้องเฝ้า พอต้องเฝ้าก็เท่าไหร่ <c oughs> เป็นอาชีพเฝ้ากี่วันเอากี่คนเท่าไหร่อ่านกุณอ่านให้เอาเป็นรายเดือนรายวันหรือจะเอาเป็นรายปีเดือนละเท่าไหร่โอ้โหมันกินหลังตายมันมีแบบนี้งั้นเราจะสร้างคุณค่าห้กับชีวิตของเราสร้างที่ลูกเราให้เป็นลูกที่โซเละสอนในสามไปกับลูก เวลาลูกอ่านคัมภานได้ลูกอ่านเราได้บุญลูกละหมาดเราได้บุญลูกทําความดีได้บุญลูกปฏิบัติตางค์ก็สั่งเคาะเลาะได้บุญไม่ต้องเสียตางจ้างเด้นี่สังคมมันหลอกเสียเท่าไหร่ตายทีเสียกี่แสนทําไมต้องแจกก็เขาบอกว่าตายให้ไปเยี่ยมให้ไปละหมาดไปละหมาดแล้วได้ผลบุ่นท่านภูเขาหุ้ดแล้วก็บอกมาบวชลดคุณหารให้น้อยไม่พอค่าแฟบอะไร มันกลายเป็นอาชีพที่หลอกช่อฉนคนที่ไม่ค่อยรู้อิสลามภาษาบ้านๆซ้ำมีทิ้งไม่น่าฟังหลอกแดกคนบอกจานยัดแกแล้วพูดไหมพราะพูด่าเพาะก็ได้แต่พูดภาษาให้มันลึกว่าถูกหลอกแดอยายาไปย้อมให้หลอกแดกสร้างคุณภาพา้าให้แตัวเอง นะงั้นเราต้องเป็นรากแก้วที่นึกเข้าไปแล้วมั่นคงวิกฤตย่างไรจะมาถอนชีวิตรเราจากการศรัทธาต่ออัลลอฮ์ต้องไม่เกิดขึ้นกับตัวเราตายเป็นตายกลับไปหาใครกลับไปหาอัลลอฮ์อินน่าลิลละเราเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์ไว้อินน่าอิละอิรอญุลและเราต้องกลับคืนไปสู่พระองค์เราต้องสํานึกในเกียรติของเราว่าเราไม่เกียรติพอที่บอกเราเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์อัลลอฮ์บอกทานี่ทํานี่ทํานี่ทํานี่ ยากไม่มถือรอสัง่งไม่เคยยากเลยบวชไ ด, วด้บวชบวชไม่ได้ไม่ต้องบวชออกฟิศได้ย่ะไปฮัตเอามีทุนมีความสามารถจะไปไปถ้าไม่มีไม่ต้องอย่าได้บุญขอดุทิศต่อเรอว่าขอเอามีได้ไปทําฮัตทำมุมรอบที่มักกะถ้าเราไม่ได้ไปเราตั้งใจขอต่อรอเอาลองให้แล้วไม่เหนื่อยด้วยมันยากตรงไหนอิสลามมันยากตรงไหนขอให้มันอยู่กับความจริงของชีวิตจริงๆกัน แ, แล้วกัน งันเวลาจะไม่ได้ไปฮัตก็จะบอกโอ้ยคนอย่างฉันไม่มีวาสนาหรอกใครบอกเขาไม่ได้พูดแบบนี้เขาให้ดวงอาต่ออัลลอฮ์ยาอัลลอฮ์ขอพระองค์ได้โปรดให้ฉันได้มีโอกาสไปทําฮัตเหมือนกับพี่น้องของฉันด้วยเถิดเนี่ยขอดวงอาต่ออัลลอฮ์ได้บุญไม่ได้ไปก็ได้บุญนี่ไปละท้อใจแล้วฉันคนฉันคนจนไม่ใช่ผมเคยเล่าออสามอีกครังหนึน โตมอประครบหมอนวดที่เขาว่าคลอดลูกแล้วโตเขามาประครบ่แกตั้งใจไปทำฮัทตั้งหลายปีแล้วไม่มีใครให้แกไปแต่วันหนึ่งดูอาขอเขาเข้าเป็นที่ตอบรับเมื่อเขาเอ่ยปากเล่าเรื่องราวเหล่านี้กับมุสลิมนคนหนึ่งที่คลอดลูกว่าเขาขอดูอาต่อลรามานานแล้วอยากจะไปทำฮัทอินชาอัลลอฮ์หวังว่าอัลลอห์จะให้ไปไม่วันใดก็วันหนึ่งพี่น้อง อัลลอฮ์ดลใจให้ผู้หญิงที่ข้อลูกคนนั้นอ น, นุมัติให้แกไปทำพัดจ่ายเงินเรียบร้อยเสร็จแกไปทำก่อนหน้านั้นแกดูอาแกไม่ได้ไว่าผัดพอต่อว่าอัลลอ์นี่คือวิถีของเรางั้นต้องแน่งกระสรานาขอรเรนนะอยู่ซับิตุลลอฮฺลล้ที่นับถือในชีวิตนี้แลฟินชีวิตหน้า อัลลอฮ์จะทรงให้บรรดาผู้ศรัทธาที่แนบแน่นหนักแน่นนะด้วยคำกล่าวที่มั่นคงเรามีคำกล่าวที่มั่นคงคือลาอิลลาฮิลลอห์หม้อห้บมาดูเราสู้ลุลลอหเรามีสองประโยคนี้เขาเรียกชาฮัดไตเนี่ยเรามีความมั่นคงนะคำพูดเราเนี่ยอยู่ซับบิตุลลาฮุลาดีนะอามานูบิลกาลิซาบิตเนี่ย แปลว่าไงอัลลอฮ์ทรงให้บรรดาผู้ศรัทธานักแน่นด้วยคำกล่าวที่มั่นคงมั่นคงคืออะไรละอิละฮิอิลลอหแนบแน่นมั่นคงจะตายก็คคำนี้จะอยู่ก็คคำนี้จะเจ็บปวดรวดร้ายแบบไหนคำนี้ละอิละฮิอิลลอหมุฮัมมัดอุลลุสลลอห์คำนี้ il allah, ul น, นะการุซาบิตคือใครคือคำว่าละอิละฮิอิลลอห คำพูดที่มั่นคงนะการรู้ซาบิทที่มั่นคงอืนมุฮัมมัดอุูลุสลลลอเรามั่นคงกับคำพูดเหล่านี้และปฏิบัติชีวิตให้สอดคล้องกับสิ่งที่เราพูดด้วยอย่าพูดแล้วก็หบพูดว่าเราเป็นเจ้าเดี๋ยวแวบไปอย่างอื่นแล้วพูดว่ามุฮัมมัดเป็นเราซูลจะเอาแบบไหนก็ได้อยากจะทาแล้วก็ทาและคิดเราเป็นศาสนานะไม่ใช่อิสลามไม่อย่สุโก นะควรปนกันกนะก็ไม่ใช่เป็นแบบอย่างเฉพาะเฉพาะเฉพาะเฉพาะนะเฉพาะนี่คือคืออิสลามนี่ในรายละเอียดแล้วก็อ่านกันกลับไปอ่านหนังสือด้วยนะหนังสือไทยก็แปเยอะแยะไปอ่านเพื่อเพิ่เพเมเติมความรู้ให้กับเรางั้นการุษสาบิษ ค, คำพูดที่มันคงคืออะไรเลอีลฮโลล้อ อัลลอฮ์เป็นเจ้าองคเดียวขอก็ขอต่ออัลลอฮ์เดือร้อนก็ขอต่ออัลลอฮ์ไม่สบายไปรักษาเป็นการลิกุลรีดายินดะวะทุโกโรคมียาแก้ไปรักษาอัลลอฮ์ให้หายที่ไม่หายขออุอาต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้ตายเรื่องอัลลอฮ์กำหนดแล้วอัลลอห์หายอัลลอฮ์กำหนดแล้วมันต้องเป็นแบบนี้แลว้วก็บุหามะดุุลลอบแบบมูฮัมมัดที่ปฏิบัติก็เป็นตัวอย่างของเราเราต้องการใครเป็นตัวอย่างทีไหมไม่ต้อง แล้วเราจะดูใครก็ดูคนดีที่เขาปฏิบัติตามคำสั่งของอรรเลระซูนเขาปฏิบัติอะไรเราก็อยู่กับเขาร่วมกับเขาด้วยการเรียนรู้ด้วยการอิบะดาดด้วยการศึกษานี่คือการเติมเต็มให้กับชีวิตของเรานั้ น, ญญนคิดดุนยาบรรดาเคโรทั้งในดุนยาและอาเคโราอาเคโรแต่นี้อาเคโรเนี่ยในดุนยาโอเค เราได้รับคําสอนในอาคิรอเนี่ยอาคิรอนเล็กอ่าแปลว่าอาคิรอเล็กคือฟิล์มกบดีในกูโบอาคิรอใหญ่นุ่นสอบสวนนุ่นอาคิรอเล็กก็คือในกูโบจะมีเมริกัสสองท่านมาถามเราในกูโบถามสามคำถามมารอบบูกาใครเป็นเจ้าของท่าน เราตอบคาถามนี้ไม่ได้ตอบคาถามจากความจําเพราะสมองเสียแล้วสมองมันตายแล้วเราตอบจากศรัทธาที่เรามีต่อเรามารอบบุก่าใครเป็นพระเจ้าของท่านรอ บ, บุญมาผู้ดูแลตันเบียเาลาเป็นผู้ดูแลเราแต่สภาพแวดล้อมเสียเพราะฝีมือมนุษย์จอฮารฟาซาดุฟินบัตริวันบ้านดีบิมาเกสบาทไอดินัสความวิบัติที่เกิดขึ้นบนบกและในทะเลก็ตามเพราะเป็นฝีมือของมนุษย์ แต่เอาล้อให้มาในสภาพที่บริสุทธิ์วันนี้อากาศแย่ฝีมือมนุษย์โรงงานอุตสาหกรรมประโยชน์ที่มันแสวงหามันไม่คำนึงว่าคนอื่นจะเป็นยังไงเอาประโยชน์ของมันแล้วท้ายสุดความยากละบากก็เกิดขึ้นกับคนทั่วไปเพราะฝีมือของมนุษย์งั้นอิสามมีมาเพื่อพัฒนามนุษย์ ให้รู้จักบาปบุญคุณโทษให้รู้จักความเหมาะสมให้รู้จักความเอื้อเฟื้อให้รู้จักตัวเองว่าเรามาสู่โลกุญานีระยะเวลาช่วงระยะเวลาหนึ่งเท่านั้นเองไม่รู้เลยพวกนี้จะเป็นยังไงไม่รู้เลยว่าจะตายที่ไหนกำหนดไม่ได้ฉงนั้นคำถามที่มาลกันมาถามในโกโบตอบได้หรือไม่ได้มันอยู่ที่วันนี้มารอ บ, บูกะใครเป็นระเจ้าของท่านวามาดีนูกาศาสนาของท่านคือศาสนาอะไร วัวมันนบีูกาและนบีของท่านคือใครตอบไม่ได้มันตอบด้วยอีมานที่เราศรัทธาในโลกดุนยาไม่ได้ตอบเพราะคนมาอ่านตละลเกนข้างกับหลุมฝังศพมาสอนตอนนั้น่ะไม่ได้แล้วสมองไม่มีแล้วมันตอบด้วยอีมานศรัทธาที่มีต่ออัลลอฮ์งั้นนบีถึงให้เราว่าไงเวลาฝังเสร็จกบหลุมเสร็จเรียบร้อยให้อ่านตะสลีต สับบตักัลลอฮสับบตักัลลอฮสับบตักัลลอฮฺยูสบิดุลลอฮฺละดีนะอามะนุฟิล hayatid dunya وف ิล aakhirah ว่ายาวไม่ได้ก็สับบัตักัลลอฮฺสับบตักัลลอฮฺบิลกาวิสาบิดว่าไม่ได้เอกก็ว่าก้อนละหูอย่างน้อยคืออัลลอฮฺฟิลูวาะมูนี่ขออุทธให้ว่าได้เนี่ยลองฟิละหูวาะหามูไปลหมาคนตายพี่น้องมันจะเปลี่ยนสันามเราเดี๋ยวมันงง ผู้ญิงก็ลอฟิละฮาวะระฮัมฮาผู้ชายลอฟิละฮวะระฮัมฮูเพราะฮมสองคนเราลองฟิลฟิลฮมาโอยคงไม่หมดเลยว่าไม่ถูกเอาเอาสัพนามผู้ชายอรลองฟิละฮวะระฮัมฮูอลองฟิละฮวะระฮัมฮูพอสั้นๆไม่ต้องหาหรอกฮาจะเปลี่ยนสัพนามว่าไม่ถูกอีกนะเพราะสัพนามผู้ชายน่ยมันคุมถึงผู้หญิงด้วยเพราะอาริย์กาวาโมนาะซ ผู้ชายนะ่ะคุมถึงผู้หญิงด้วยนะงั้นตาสบีไม่เป็นว่าอกอลููอย่างน้อยว่าไงนะอัลลอฮุมะฟิลลูวะรัมหูอัลลอฮุมะฟิลลูวะรฮัมหูอัลลอฮุมะฟิลลูวะรัมูว่าไปคนว่าเป็นเยอะอันนี้ก็ซบกลอซบกลอซบะกะลอยซ บ, บิตุลล ال อหุลละดีนะอามานุฟิลยาตินยาฟิลอาครอเอาว่าไป สนายากไหมไม่ยากแบบอย่างนี้แบบไหนปฏิบัติไปวายูดิลุลอฮฺซารีมีนอัลลอฮ์จะอะไรวายูดิลลลอฮฺซารีมีนและอัลลอฮ์ทรงให้บรรดาผู้อาธรรมหลงทางอาธรรมคือใครคนที่รอยเรียงคนที่ร้อยเรียงเืออะไรคนที่ละเมิดคําสั่งแบบอย่างของอัลลอฮ์นี่คือคนรอยเรียง นี่เด็กคนอธรมอธรมคือไม่ยุติธรรมต่อคำสอนของอัลลอฮ์อัลลอฮ์ใจคน ล, ะ, ะ, คละเนี่ยหลงทางคนเราคนรอนเหลวค น, นละมือปฏิบัติเกินเขตที่อัลลอฮ์เลวะซูนได้บอกกับเรานั่นใครเดยกเป็นคนที่ไรคนที่อาธรคนที่หลงทางอินดีนฮะเดีนะยุซุนวลาอยูซาเดดีนะอิลาก็อะไรบ้า อิสลามเน่ยง่ายมันยากตรงที่เราเราทําให้มันยากง่านยะมันยากตรงไห น, นอิสลามมันง่ายหมดแต่มันยากเพราะเราไปทําให้มันยากวันนี้เจ้าเบ่าวเจ้าสาวเราแต่งงานนะ่ะน่าสงสารนะผมดูนะทำไมต้องใส่เสื้อยาวต้องเอาคนมาลากหางด้วยอะ่ะมันเลียนแบบใครอะ่ะ เรียนแบบพวกยูฮูนัสซอรอแล้วสังคมก็มาเชื่อว่าเป็นสิ่งที่ดีนบีบอกไงนะมันตชบบาฮาบีกาวมินฟาวมินหุมใครเรียนแบบคนใดถ้าเขาเป็นส่วนหนึ่งจะแบบนั้นด้วยแล้วเราก็มาถือว่าเป็นความทันสมัยอะไรอ่ะทำไมต้องลากหางต้องสองสามคนจะลากยาวลากดินมันไม่ใช่แบบอิสลามคุณมียาแบบนี้ก็ได้แล้ว ท้าไม่ต้องขนาดนั้นแล้วสอนต่อไปอีกเอา้าเวลากลางคืนใครอยหลับก่อนนะใครละก่อนคนนั้นตายก่อนเอา้าเจ้าบ่าวก็นั่งพิงฟ้ากลัวจะหลับเจ้าสาวก็นั่งพิงฟ้ากลัวจะหลับก่อนเลยกลางคืนไม่ได้นอนเนะยใครบอกมึงเอ้า เวลาคนตายไอ้ตอนอยู่เนี่ยก็โศกโศกโศ ก, กที่นอนก็ไม่เคยสวยไม่เคยงามพอสามีตายโอ้โหดึงตึงเปะ๊ะเลยอดดอกมะลิออลมะโรยอดดอกุหลาบมะโรยเพราะเดียวย่อ ม, มาเอา้าวิญญาณกลับไปแล้วไมรรคกัตเก็บไปแล้วไปอยู่ในอารมณ์อารมณ์โลกของวิญญาณวิญญาณดีอยู่ในส่วนที่ดีวิญญาณไม่ดีส่วนอยู่ในส่วนที่ไม่ดีไปแล้วไม่ได้กลับแต่นี่มาแบบสาเ ห, เห็นเงาเนี่ยสตันแล้ว เอาคำคุณแอพูดผีไม่มีตัวมันกลัวกันจนแย่ตัวฮันมีแน่แม่ไม่ยักกลัวคุณแอบอกนี่โอ้ยเห็นเงาเงาโว้ยย่อคูมาแล้วลู่อีคนบอกะไรว่าววมึงเห็นคนเดียวยอ้อนนี่ไม่ให้คุณเห็นเลยแสดงว่าไม่รักกูอ้าไปอีกแล้วตีความลวรลย่อมาแป๊บเดียวทำไมไม่รอกู ด, ด้วยเอาอีกแล้ว ต่อไปก็นั่งเฝ้าย่อๆมาเมื่อไรเอาวิล่ะมันไม่ใช่เรื่องอิสลามเลยมันถูกสอดแทรกจากวิธีคิดของคนที่ไม่ใช่มุสลิมไอ้สิ่งเหล่านั้นมีเพื่อให้เราเห็นว่าเอยความไม่ถูกต้องมันเป็นอย่างงี้ก็มีนะเว้ยไอ้ถูกต้องมันเป็นอย่างนี้ที่อลอรรถรซุนบอกเราจัดการสบง่ายไหมง่ายคนอื่นเขเป็นง่ายเป็นแบบของเขาเรื่องของเขาละกุมดีนุ ก, กุมดูดีอดีนไม่ว่าแต่มีเพื่อให้เห็น ไม่ได้มีให้ปฏิบัติและสืบท อ, อดแทนจำไว้จำไว้แลเรื่นี้เวลาทํนูนทํา ท, า น, ท, า, นทานจะเรียนแบบมันต้องเหมือนกันต้องมีเวทีต้องมีฉากหลังต้องมีถ่ายรูปต้องมีอะไรๆก็ไม่รู้ผมมองดู ว, ว่าถูกสังคมหลอก ใครจะมองว่าผมไม่ทันสมัยก็ตามใจแต่ถูกสังคมหลอกให้เกิดความฟุ่งเฟยซึ่งไม่น่าจะฟุ่งเฟยไม่น่าจะฟุ่งเฟยอัลุดร์มานอินทุเอาแต่ ง, งานน บ, บีก็ไม่รู้เราลองไม่บอกให้รู้นี่เื่องตายเลยเขาเปล่ า, าอัลโดร์มานเอาลิมมาลาวิาาชาต่นให้ฉลองการลิก้าแม้ว่าจะเป็นแพะตัวหนึ่งก็ตามจบทาไมเราฮู้ทำไมไม่บอกงาน ไอ้ก้อ น, อนตอ น, นเรียนะกูช่วยทรงนะเอาแล้วเอาแล้วดาวอแล้วบุญจะไม่ได้แล้วช่วยทรงช่วยดูแลดูทีวันนี้แต่งงานมันไม่บอกเราเครื่องนีแล้วมีเรื่องเครื่องเยอะพอกินบุญเสร็จแม่เอาแกงมาให้ก็เครื่องนี่แล้วเวลากินเสร็จตักใส่ถุงหลายถุงเจ้าบ้าเจ้าภาคก็บอกเอาแค่ถุงเดียวเครื่องนี่แล้ว ลูกคนโตกูได้ลูกคนที่สองกูงก็ร้องเองกูก็เสียสิเอา้าเครืองนี่แล้วมันอะไรพวกเราเป็นอะไรพวกเราเป็นอะไรไปกินของเขากินแล้วไอ้ทำละพอไอ้ตาที่จะตักแล้วหิ้วมาบ้านนะจะของเขายอมหรือเปล่าจาของเขามายอมถือว่าขโมย เขามยเป็นไงบาปบาปแล้วลูกเมียกินเป็นไงของฮารอมกินไปแล้วเฮารอมไม่รับความดีเลือดเนื้อที่ออกมาเป็นเลือดเนื้อที่ฮารอมใจบอดไม่อยากจะอิบาด์ดาต่อหะอกยาวเลยเขาเชิญไปกินต่อกินแค่นั้นพออันนี้ไปนขนอีกจนเจ้าภาพจะต้องตักซ่อนก่อนเดี๋ยวมันขนหมดเลี้ยงระเบไม่พอเจ้าภาพลืมแกงในหม้อบปเรือ่อบูดเอา้าซ่อนจนบูด อะไรเกิดขึ้นกับสังคมขอเราเนี่ยเจ๊กมันขำเจ๊กมันขำเรานะเวลาจะทําบุญต่อไปติดนูน่นติดนี่ติดกันไปห้าหมื่นหกมืนแล้วก็มาสมหัวกินกันแบบนั้นทางๆ ท, ท, ที่ไม่มีฐานะมันก็ยุ่งยากลำบากมันขำแล้วเราทําแบบนี้มาทําแบบนี้มาก็เราก็จะเป็นอะหน้าใหญ่หน้าโตนะติดเจ๊กมัไม่เคยโจดเราให้เจ๊กจท พอเราเก็บเงินก็เสียนาไปสิบห้าไร่พอเช็คมันโจทย์แต่อะไรก็เท่านั้นนี่ที่เราเราสูญเสียเศรษฐกิจเพราะเป็นแบบนี้เราไม่ควรจะเสียเราไม่ควรจะเสียนะก็พูดแบบนี้ใครจะชอบไม่ชอบก็บตามใจแต่เราพูดจริงๆว่าอย่าเอาแบบของเขามาเกี่ยวข้องกับเราวันนี้อิทธิพลกระแสอะไ ร, รามาเยอะ อยา่อยากเก็บของเขามาเอาของเราวายุดิ่ลุลลฮฺนะและพระองค์จะทำให้เขาหลงทางถ้าเขาไม่เอาทางของ อ, อัลลอเขาก็จะหลงทางวายุดิ่ลุลอฮฺจอนนินอัลลอฮฺจะทรงให้ผู้ทรงอธรรมคนที่ไม่เอาแบบของอัลลอฮฺนั้นหลงทางวายฟัลล ah ุลลฮฺมายาชาและพระองค์ทรงกระทาสิ่งที่พระองค์ทรงประสรงค์แล้วก็ อัลลอฮ์ประสงค์ให้เป็นแบบ น, นี้แบบ น, นี้ถ้าไม่เอาช่วยไม่ได้วันนั้นจะช่วยยังไง อ, อัลลอฮ์บอกต่อไปอีกงั้นกาลิมาตอยิบาคือเลออะไรล่ลอกาลิมาสซ ย, ยา์ที่ไม่ดีคือมีเจ้าอื่นที่นอกจากอัลลอฮ์ที่มนุษย์กำหนดขึ้นมาแข่งกับอัลลอฮ์ ว่มากระรัวมาการละล้อคนนั้นหลอกอัลลอฮ์วันเล่าค่อยรุ่นมาเกดีนถ้าอัลลอฮ์จะหลอกแล้วอัลลอฮ์มีเชิงเหนือกว่าอัลลอฮ์บอกอัลลอฮ์มีเชิงที่เหนือกว่าหลอกไม่ได้งั้นจับคุรานไว้ให้มัน่นจับคุรานไว้ให้มัน่นและจับประเด็นของเนื้อหาที่อัลลอฮ์และราสูลสอนเอาไว้ให้มัน่นเพราะคนจะมาจะประดิษฐ์งานมาเพื่อเบียงเบียงเบียนคําสอนของเราสูลเราสูงสั่งอหสุนละวานอบบีแล้วก็ว่าสิ อัลาลอฮัลลมฮัมมัดวะลาลีมฮัมมัดรืออัลาลอฮมูฮัมมัดทไมต้องสวลวันบีโดยมีพิธีกรรมและเอ า, เ อ, าอะไรแต่ไรมาอ่านแล้วก็บอกทาไม่ได้ยังไงนี่ก็สวลวันบีไม่ใช่ของดีเลยมาตรฐานใครอ่ะเวลาลงจากบ้านอบีสอนอยังไงเราลงจากบ้านมาเช้าอ่านยังไงอ่านด้วยอาว่างไง บิสมิลลาฮิรเราะห์มานโตลาลลอฮูอะลลอฮิวะลาฮูวะติอิลลาบิลลาแค่นั้นก่อนๆจะลงจากบ้านถึงไปมากาด้วยเอายังไงผมทำมาแล้วอร่อยไหมดีสาวว่ดีแต่ใช่ไหมไม่ใช่แล้วฟังกว่าดีไว้ลองมาซัลลิวะสัลลิมโอ้โหคนกำลังเศ้าวะจิดวะดิมวะนิมวะตาฟัดลวะบาลิก ใส่ไปคนก็นกำลังจากลูกจากเมียด้วมันก็ร้องให้ใช่ไหมไม่ใช่เวลาเรือคอยยิงจะออกจากโกดังเก้าเอาเอาฝรั่งมาปล เ, เอาสิ่งที่ประดิษฐ์คิดเองเอามาปนรอมาคุณบาร์รอฮุ่ยอัคบัดอาดานอาดานแค่ไหนร้องทำอะไรละมาดเอานั่นก็ร้องให้นี่อัลลอฮฺ อาจาลนลใช่เรื่องไหมไม่ใช่เออลมมาแรงก็บอกให้ให้ฝักบิดในกาวตักบิดตักบิดไหมอัลลอฮุบอัคบัดอัลลอฮุบอับันี่แปลตักบิดแปลว่าอาายลมมาก็ลอฮุบอัคบัดถึงฮายาลสโอลฮายาละอะไรอ่ะเพราะแปลว่าฝัาก บ, บิดเขาให้กาวตักบิดอัลลอฮุบอัคบัดอัลลอฮุอับัดเรียกอัลลออัลลอ์ผู้ทรงยิ่งใหญ่ นี่แปรตักบิดเป็นอาจารย์ลมมาก็อาจารย์ไอ้คนนั้นเฮ้ยไอ้ น, นี่มีอิมานมันเข้มเว้ยลมแรงขนาดนี้มันยังเรียกร้องคนละมาติใช่ไหมไม่ใช่แต่สาวะดีทำไมเขาทำกันมาแล้วมึงคนปันไหนอายุแค่นี้เอาแล้วท้ายสุดไม่ได้เอาคำสั่งของลอร์ดกรอสุนเป็นหลักฐานเอาเปาะมันเป็นหลักฐานยอยังทามาเอามุกมันเป็นหลักฐานมุกมันทามา มัน <laughs> ไม่ใช่ <c oughs> นี่มีโต๊ะลงนาแถวกูโบแถวเนี่ยของกลุ่มตระหมู่บ้ า, านสาขาโต๊ะลงนาเนี่ยแกเป็นคนที่รู้จักจดจาํารู้จักสังเกตว่าถ้าลมมาแบบนี้มันจะลงมาแบบนี้อีชายอีกไม่นานมันจะมีฝนเพราะอเล็กจะให้มีสิ่งบอกเหตุเสมอว่าจะอันน า, นาลิกุลิใช้อินซาบาบาอเล็กจะให้ทุกสิ่งมีสิ่งบอกเหตุ ให้เราได้รู้เสมอเขาก็บอกว่ามึงเตรียมตัวกันได้แล้วเพราะลมทางนี้มาแล้วไอเราสังเกตสมัยก่อนใช่ไหมต้นดอกอะไรนะดอกเขาขาวอ่ะผู้ใหญ่เขาบอกว่าถ้ามันสูงขึ้นมาแสดงว่ามันหนีน้ำเท่าที่สังเกตเราก็บอกพี่นี่ชาวล้อน่ะน้ำจะมาแล้วเห็นมดมันกายมันมันมันมันคาบไข่ทั้มันเนี่ยนี่นี่น้ำจะมาแล้วเราสังเกตจากสิ่งรอบด้านเราพูดได้แค่นั้น แต่อยากินไม่ได้ว่าน้าจะมาเมื่อไรไม่ได้แต่มันมีสิ่งบอร์เคเราก็พูดได้แค่นั้นตอนนี้พอจะลงนาจริงๆไปทํานาจริงๆก็ต้องไปหาโต๊ะลงนาก่อนเวลาไปหาก็เทมเนียมเราเนี่ยต้องเอาอะไราไปล่ะเราไปเยี่ยมคนเอาข้าเหนียวเราทํำออสัยใหม่ๆก็เอาเอาหนมเค้กไปเอาแอปเปิลเอาสาลี่อะไรไปสมัยก่อนมันมีมีต่ขนมต้มแดงขนมต้มแดงไป เอาไปให้โต๊ะลงนากินนะเอาอะไรแต่ไรไปก็เอาดอกไม้ไปเพราะกาเฟสเขาทํามีดอกไม้มีทุบเทียนด้วยเอาทูบเทียนไปก็ไปปักไปบอกโต๊ะลงนาว่าฉันจะเริ่มทํานาแล้วนะขอให้มีบุญกุศด้วยอ้าขอเลือเทอแล้วแทนที่จะขอต่ออัลลอฮ์อียากนาะบุญดวงอียากนะไสินหลุดไปแล้วแทนที่จะขอต่ออัลลอฮ์ ขอความชื่อเหนือจากอัลลอฮ์เอาแล้วขอจะโตะลงนายแล้วนี่ไงมันเป็นอย่างงี้อ่ะแต่นี้พอพ่อทําแม่ทําลูกมันเห็นพอลูกเห็นก็ซึมซับกว่า น, นี่ยอ่อฉันทํามายอฉันยังรวยมาฉันทํามาได้มรดกต้องเยอะเอาแล้วหลงผิดยาวเลยก็ส่งถึงลูกถึงหลานงั้นเวลาเราพูดถึงเรื่องเนี้ยคนเสียประโยชน์ไม่มีมันเกลียดเราไม่เกลียดเขาจะได้ประโยชน์แล้วไป ไปบอกความถูกต้อ ง, งเขาก็เกียดล้วก็โดนเกียดไปก็ช่างมันปไปได้โดนเกียดไปเนี่ยนี่คือสิ่งที่มันปลอมปนในสังคมของเราเพราะฉะนั้นสนาระนะว่ะตอนะอัลลอฮฺบอกฟังปฏิบัติตามที่อัลลอฮฺรอซูมบอกมันพอดีทุกทีไม่ต้องเรื่องยุ่งไม่งั้นถูกลองมดนะถูกลองมดอา้าวเราจะมีดวงอาบวกกว้องแจกชายตอนอันยาคูซี บกบ้องจะยินในสัตว์ร้าต่างๆของไม่ดีทั้งหลายยากุซีอันสามคุณเบอร์ อ, อาต่ออ่ะเหรที่ต้องไม่เอาอะไรมาผูกที่เสาไปนู่นไปผูกทนู่นระ ว, วังนะพี่น้องไอ้คนที่ทําผูกแบบเนี้ยพิธีการมิซูคุโบต้องไปจดลิขสิทธิตนะถ้าไม่จดลิขสิตต่อไปฝรั่งมันเอาเราไปทําบาอะไ น, น, นั้นมันจับติดคุกนะ่ะก็ไปจดลิกัสิ์ก่อน ว่าของกุศลทำแบบนี้แบบนี้มันนี่เวลาทำมาจะได้ไม่ไม่เสียตำรวจจะได้ไม่จับถ้าไม่จดลิขสิทธิ์ไว้เขามาจับหน้าต่อไปเนี่ยนี่มันมันเป็นเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องนะเป็นเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องว่าอยู่ที่ลุลฮลุซอลเมีนไอคนที่รอเลียมฝ่าฝืนต่อลอดรอเลมยมใอะได้ปฏิเสธอัลลอ์ไม่เชื่อคำสั่งของอัลลอฮ์นะ อัลลอฮ์ใจะอะไรอรัลลอฮ์ก็จะให้เขาหลงทางตามที่เขาใฝ่หาวยับอัลลุลอฮุมายาชาและอัลลอฮ์ทรงมสิ่งที่พระองค์ทรงประสงค์ในต่อไปเจ้าไม่เห็นดอกหรือบรรดาผู้เปลี่ยนความโปรดปานของอัลลอฮ์เป็นการปฏิเสธศรัทธาและได้น้ากลุ่มชนของสาวของเขาลงสู่ที่พม น, นักอันหายนะอัลลอฮ์ให้เห็นแล้วคนที่เปลี่ยนความโปรดปานของอัลลอฮ์ ให้เป็นการปฏิเสธดูนบียุคต่างๆเปลี่ยนความปดปานของขอลัลลอ์ที่อลัลลอฮ์ส่งนบีมาประกาศแล้วท้ายสุดพวกนั้นถูกทำลายทั้งหมดเห็นแล้วนะแต่ทำไมเราเราถึงอ่อนไหวแล้วเราไปเก็บนำของสิ่งที่ไม่ใช่อิสลามออกมาปฏิบตัติเพราะเราคุ้นเคยกับสิ่งเหล่านั้นแลวก็จดจำมาเป็นวิถีชีวิตนี่คืออันตรายอย่าให้มาอยาิสลามนะฮะบิสังกรอด นรกยานนำที่มีเปลวไฟพ้อร้อนจัดของมันและมันเป็นที่พำนักอันชั่วช้าและตลอดกาลด้วยนรกยันนำนี่คือที่ที่อยู่ของคนที่ทรยศต่อโลกสัตว์ราบอกแล้วใช่ไ้มตอนเป็นบอกแล้วใช่ไห ม, ต อ, อไหมตอนมีความคิดสติปัญญาก็ปฏิบัติที่ก็ปฏิบัติสี่สมัยนวะว่าอตัตนาะก็ปฏิบัติแล้วบอกในวัดสุดท้ายว่า และพวกเขาได้ตั้งภาคีคู่เคียงกับอันล้อเพื่อให้พวกเขาหลงทาจากอันล้อเนี่ยมาตั้งมาคู่เคียงใช่ไหมสมัยหนึ่งกินน้ําเขียวอีกสมัยหนึ่งกินน้าแดง อ, อแล้วแต่เรื่องของเขาแต่เราไปเก็บของเขามาเนี่ยมันน่าเจ็บใจจงการเชิญว่ามาัทพวกท่านจงร่าเริงกันเถิดเพราะแท้จริงทางกลับของพวกท่านย่อมไปสู่นรกเอ้าร่าเริงตามเขาไป เราเรื่องได้ประโยชน์ไปท้ายสุดเรากลับไปสู่นรกเพราะวิธีปฏิบัติไม่ใช่วิธีอิสลามเพราะเราพัดภาคจากศิร่ต้นมุสตะกีมที่อัลลอฮ์ส่งมาเราไม่เอาเพราะเราไม่เอาเอัลลอฮ์บอกเราไปเอาตัวนู้นมาใส่เอาตัว น, นี้มาใส่จนกระทั่งว่าไม่มีเก่นณท์อิสลามเหลือในใจของเราเนี่อันตรายที่สุดเราจะเสียเวลาเพื่อสิ่งนั้นทําไมอัลลอฮ์บอกว่าจงกล่าวแก่มดาผู้ศรัทธาของข้า ว, ว่า ให้พวกเขาเนินโครงการละมาดยูกีมูยูเกีมูสอยูเกีมูนัยูกีมูสลาอาร้อใช้เฟี้ยมมุดอรหมายความว่าลิลิสิมรอดระวามต้องสม่ําเสมอนะไม่ใช่วันนี้ขยันทําวันนี้ขี้เกียจไม่ทํายูเกีมูเนี่ยทำแบบสม่ําเสมอถ้าเป็นสุนัตก็น้อยมากหรือมากก็แล้วแต่เราแต่ฟัดดูต้องอยู่กีมูนัสลาสม่ำเสมอ อิดฮับะฮูอัมรุนฟันยูซัน ล, ลีเวลาวิกฤตเกิดขึ้นฟันยูซัน ล, ลีจงละหมาด <c oughs> แล้วก็ขอต่อรอยิ่งเวลาสุยูดนั้นใกล้ชิดกับบารมีมากที่สุดขอที่จะขอสิ่งใดขอสิ่งที่ฮาลาลอย่าเอาสิ่งที่ฮารอมนั่นช่วงชีวิตช่วงเวลาที่ใกล้ชิดกับบารมีมากที่สุดคือละหมาดใกล้ที่สุดและจงบริจาคสิ่งที่เราได้ให้เป็นไปใจอย่างขี้แ่พวกเขา ทั้งอย่างลับๆและอย่างเปิดเผยนี่ก็บยูฟิกูใช้เฟี้ยมุดออและเลดิสติมลอตประวามต้องอิมพอร์ตยาแบบสม่ำเสมอน้อยมากไม่ได้บอกทั้งลับและก็เปิดเผยถ้าเราจะเปิดเผยใจจะไม่อิคลาสอย่าเปิดเผยเดี๋ยวใจเราเสียลับๆแต่อลละรู้อินเนอร์บัลกาลาบินมิซอนออลจ้องมองดูเราอยู่งั้นถ้าใจมันจะอวดไม่ให้ต่อหน้าคน เดี๋ยวไม่ได้อะไรเราก็ให้รับหลังเพราะเราไม่ได้อวดมนุษย์เนี่ยเรากับอัลลอฮ์งั้นเนี่ยลิน ล, ละลินละลินละมาอยู่ที่ตัวเราตลอดเวลานะมิงก็ปีไอยะที่ยาวมุยยามุลาใบาอุนฟีเวลาเคลื่นก่อนที่วันหนึ่งจะมาถึงซึ่งไม่มีการซื้อขายในวันเล็บต่อรองการซื้อขายคือการต่อรองวันนู้นไม่มีการต่อรองแล้วอย่างงูอย่างงี้ไม่ได้แล้ว นะเวลาตายบัญชีมันปิดหมดแล้วไม่ต้องต่อรองและวันนั้นในวันนั้นและไม่มีการไม่มีความว่าเป็นมิตรภาพแล้วคือได้อันญาซาอุมิสุลอามานการตอบแทนก็เป็นไปตามที่เราปฏิบัติฮาเลยาซาอูเนยาาียซานอิรันเอซานทำดีก็ได้ดีทําไม่ดีก็จบกันตรงนั้นนี่คือช่วงเวลาของการมีชีวิตอยู่ที่เราให้เรามีชีวิตอยู่ไม่แน่ยี่สบปีสาสิบปีหกสิบปีเจสบปีตายไปก็เยอะแยะอายุน้อยกว่าตายอายุมากกว่ตาย ก็จดจําสิ่งที่อัลลอฮ์ให้ไว้สําคัญคือเมื่อมีปัญหาทุกครั้งให้ทำไรละหมาดแล้วก็ขอต่ออัลลอฮ์อย่าไปบังคับอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะให้เราเมื่อไหร่อัลลอฮ์ดูความเหมาะสมให้เร็วบางทีเราสําลักเงินเสียคนให้ช้าเกินไปบางทีเราเสียอิมานอัลลอฮ์รู้ยะละมุมาฟิสซุลุรู้ความรู้สึกของเราแต่สิ่งที่เราทําคือดุอาต่ออัลลอฮ์สวดละนา่นั่นคือหน้าที่ของเราที่เราต้องมีนะครับ อย่าตามกันหลงทางแต่ตามในทางที่ถูกต้องแล้วก็บอกกล่าวสิ่งเหล่านั้นแล้วใครเห็นใครผิดก็เตือนบอกด้วยถ้อยคําที่สุภาพอย่าเป็นการเหยียดหยามเพราะถ้าหยามมันจะต่อต้านถ้าพูดดีมันจะตาม น, นะครับความรู้สึกของมนุษย์จะเป็นแบบนั้นก็ขอฝากสิ่งเหล่านี้ไว้กับพี่น้องนะครับให้มีความแน่นแ น, แนกับสิ่งเหล่านี้รวมทั้งตัวผมด้วยนะครับสุขภาพแลรเล่าเปียห้ามดีกวอัลชาฮฺเบลลาอิลลาอิลลาอันตัสลาฟุดะกะวาตูบุลัย peace be upon y u a n a h m a r c l l a h i w a b a r a k a t u h